บุ๊กทูหกสิบห้ารการปฏิเสธสองเป็นนิเกลเแหวนวงนี้แพงไหมคะเอรงเงินดอไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรไม่ Nein, den er 100 Euro. แต่คร้คุณหนึยูโแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะแต่ผมมีแค่ห้คุณเสร็จแล้วใช่ไหมคุณเสร็จแล้วใช่ไหมแไหม่ยัเร er ็แไม่เสร็จ่ไมคเสร็จ่ไหคุณ้่ไห แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ่สนาทคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะวิลตูเฮเวมียซุปไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะไม่อยาวแต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะมนนไอสเมีย คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะหาดูบูเอด์หอยเล้งไม่ค่ะพึ่งเดือนเดียวไหนคุณหนึ่งหมูนแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วแต่ผมรู้จักคนเยอะมากแล้วคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ เคยดูเย็บอีโม้นไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์นาย first weekend แต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะมันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะอร์ดินดทเธอัลล์เรดวอน ไม่ใช่ค่ะลูกกิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปีไงฮุนแคุนสแต่เธอมีแฟนแล้วนะแต่เธอมีแฟนแแีล้วนะแต่เธอมีแฟนแแ่นแล้วนะอ แ, แลนละอแลวนะแตลวนเลวเอว่อน่มน่มล่ล่